ตเจอกนี้ไปเป็นรายการสากัดชาสองธรรมะเรื่องนิพพานคืออะไรตอนที่หนึ่งโดยพระท่านสมณะภธิรักและสมณะพ่อพุทธจันทเสตโทจากพุทธสถานสติสุออกสถานีโทรทัศน์ช่องพิเศษไทยทีวี2ได้แสดงไว้ประจำวันที่20พุพฤศจิกายน 2,548 ขอเชิญท่านติดตามั่ฟังได้นะบัตรนีกราบนำ้ำพสการพระท่านด้วยความเคารพครับเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนผู้มีความสนใจในพระนิพพานทั้งหลายวันนี้รายการของเรานำเสนอประเด็นพิเศษ ไปจากวันอื่นๆนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพุทธที่ไปนิพพานพุทธก็คือศาสนาพุทธนิพพานก็คือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาอันได้แก่ผลที่เราพึงประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสูงสุดก็คือไปสู่พระนิพพาน เราได้ยินได้ฟังอยู่เสมอๆว่านิพพานนั้นเป็นเรื่องยากนิพพานนั้นเป็นเรื่องไกลนิพพานนั้นเป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องที่จะกล่าวได้ว่าณปัจจุบันนี้คนเราไม่สามารถที่จะไปสู่พระนิพพานได้โดยง่ายเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องยากเกินไปไกลเกินไปละเอียดเกินไปะนะเนีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะรวมกับ การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้กระทั่งกลายเป็นว่าคนที่จะปฏิบัติธรรมเนเพื่อไปสู่พระนิพพานนั้นจะต้องแยกส่วนชีวิตของตอนเองออกไปจากชีวิตปกติประจำวันอยาว่าแต่ถึงขั้นพระนิพพานเลยทีเดียวแม้กระทั่งคนที่อยู่ในแวดวงผู้ปฏิบัติธรรมยังมักจะถูกค่อนแค่พูดจากกระทบกระเทียบเปรียบเทียบอยู่เนืองๆว่า คุณปฏิบัติอย่างนี้เมื่อไหร่จะบวชละ่ะคุณปฏิบัติแบบนี้เมื่อไร่จะไปอยู่วัดคุณปฏิบัติแบบนี้เมื่อไรจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทางโลกไปอยู่ในร่มของธรรมะเต็มตัวเนี่ยกลายเป็นว่าทุกวันนี้คนที่อยู่ทางโลกก็วิ่งเต้นทั้งวิ่งและเต้นเนี่ยนะแสวงหาลาบยศสุขสรรเสริญสแสวงหาความสุขโลกีกันอย่างสุดเวี่ยง แล้วก็พยายามจะแสวงหาความชอบธรรมให้กับตัวเองว่าจริงๆแล้วการที่ตนเองแสวงหานั้นเพราะว่าตนเองเป็นคนที่อยู่ในกระแสโลกตนเองเป็นชาวโลกตนเองไม่ใช่เป็นผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมตัวเองไม่ได้อยู่ในวิสัยของธรรมดังนั้นตัวเองจึงไม่มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติธรรมตัเองจึงไม่มีหน้าที่ที่จะสะสมหน่วยกิจแห่งพระนิพพานเมื่อมีการแยกส่วนระหว่างผู้ที่อยู่ทางโลกกับทางธรรมแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า นิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกจํากัดไว้เฉพาะในเวทวงของผู้ที่สนใจธรรมะเท่านั้นแม้กระทั่งผู้ที่เข้าใจธรรมะในทางพุทธศาสนายังไม่ลึกซึ้งก็ไปเข้าใจว่าธรรมะในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีสองแบบธรรมะที่เป็นไปในแบบโลกียะก็คือธรรมะที่ใช้ยึดถือประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญมั่นคงมั่งมีสีสุขทางโลกโดยทั่วทไปอะไนกับธรรมะที่เป็นไปในเชิงโลกุตระแปลว่า ธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อการลดละกิเลสกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ก็เลือกจะปฏิบัติธรรมะหรือบางทีไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมะแต่เป็นการประกอบพิธีกรรมมานีพอให้รู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นชาวพุทธหรือเป็นผู้ปฏิบัติกิจทางศาสนามีการให้ทานทำบุญตักบาศสวดมนต์ภาวนาหรือประกอบกิจในรูปแบบต่างๆที่ชัดเจนที่สุดก็คือไปไปนั่งฟังสวดศพในงานศพจะเข้าวัดก็เฉพาะในช่วงที่มีคนตายที่ญาติของเรารู้จัก หรือใครที่เกี่ยวข้องไปนั่งฟังดมๆๆๆอมแดมดอมเดมสวดศพแล้วก็บอกว่านี่ฉันเป็นชาวพุทธได้เวลามีการแจกสองผ้าป่าซองกรถิ่นก็เอาสตางค์ใส่สองผ้าป่าซองกรถิ่นแล้วบอกว่านี่ฉันกําลังปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธกรณีเช่นนี้เป็นกรณีที่เพราะท่านสมณพทิรักษ์ได้กล่าวเน้นย้ํามาหลายตอนหลายสิบครั้งในช่วงที่ผ่านมาสําหรับพุทธที่ไปนิพพานนี้ ต้องการจะอธิบายความหมายเกี่ยวกับเรื่องพระนิพพานให้ชัดเจนแจ่มกระจ่างเลยทีเดียวว่าจริงๆพุทธศาสนาเนี่ยมีจุดที่เป็นไปในเรื่องของโล ก, กุตระเพียงเท่านั้นส่วนที่เรายังมองว่าเป็นโลกียะนั้นเพราะเรายังไม่สามารถไปสู่โล ก, กุตระได้เราจึงเป็นแค่โลกียะแต่ไม่ได้หมายความว่าคําสอนของพุทธเจ้านั้น เ, นเป็นคําสอนที่ที่อยู่ในระดับโลกียะจริงๆเป็นระดับโล ก, กุตระอันนี้เป็นข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองก็คือความกลัวในพระนิพพานที่คนเราไม่จะกลัวกันโดยทั่วไปว่าเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลําบากและเป็นเรื่องที่ถ้าเข้าถึงแล้วเนี่ยจะจืดชืดไม่มีชีวิตชีวาวันนี้จะนิมนต์พ่ะท่านสมณะโพธิรักษ์มาสู่การอถาธิบายเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนิพพานคืออะไรอะไรคือนิพพานเคยนําไปเทียบเทียงกับบทกวีที่เรียนตั้งแต่สมัยอยู่ป .2 นะบทกวีภาษาไทยที่บอกนิพพานเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลําบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเพาอันโสภาความเพียรเป็นโสภาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจารัยเป็นสเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลี่ยงข้ามโครงคาปัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผา เจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าตาคอยดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสัยจงมั่นมั่นหมายใจอย่าได้ค้านการปฏิบัติธรรมอันนี้ขออนุญาตแปลงนิดหน่อยอะนะจริงๆว่าเขาก็อย่าได้ค้านการวิชาเพราะท่านจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจว่า นิพพานคืออะไรโดยละเอียดในช่วงวันนี้และถ้ามีเวลาเหลืออย่างไรเนี่ยอาจจะนำพัทรบิดกมากล่าวถึงตามเหมาะตามควรนะเนี่ยเพือ่อให้สอดรับกับสิ่ง ท, <c oughs> ที่พ่อท่านได้นำเสนอต่อไปกระผมขอกราบนิมนต์พ่อท่านเข้าสู่รายการตามสมควรได้เลยนะครับนมาสการครับอ้ก็มาพู ه, ดกันให้ง่ายๆจะรู้ว่าให้เข้าใจชัดๆ คนเข้าใจคำว่า น, นิพพานเนี่ยผิดพลาดมันนานแล้วนานมากจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีใครเห็นว่านิพพานนี่คือของมีค่าอันควรพึงได้พึงเป็นในชีวิตไม่เอาไม่เอาเลยทั้งๆที่มันเป็นเรื่องทุกข์ถ้าไม่พ้นมันเป็นนิพพานได้ไหมมันเป็นเรื่องทุกข์มันเป็นทุกข์อริยสัจ แต่คนก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็หลงไหลแล้วก็แบ่งแยกจนกระทั่งกลายเป็นไม่รู้เรื่องนิพพานนี่มันไกลจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของาศาสนามก็ของยอมรับมาเป็นของาศาสนาพุทธนะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่จะมาใช้แล้วทุกวันนี้ในาศาสนาก็ตามเป็นพุทธศาสนาิก็เป็นไปอย่างนั้นนะ่ะอันนี้น่าเสียดาย ฟังดีๆอัตมาจะลองพยายามพูดภาษาง่ายๆภาษาที่ไม่ต้องลึกมันก็ลึกอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันภาษาที่มันไม่ยากมางั่นเถอะจะพยายามเนี่ยจะจะคิดว่าเพราะอัตมาไม่ใช่นักวิชาการอยู่แล้วก็คงจะพูดภาษาทั่วไปได้ง่ายอยู่หลอกนะท่านักวิชาการเขาเรียนภาษาวิชาการเขาก็ติดภาษาวิชาการเข้ามามากๆเช่ว่าภาษาธรรมะภาษาโบหารแบบธรรมะอะไรเยอะแยะ เอานีนะ้เอาขึ้นต้นคําว่านิพพานนิพพานคืออะไระง่ายๆทุกคนก็ฟังมาก็คงได้ยินว่านิพพานคือตายคือความตายตายสนิทต้องมีกํากับด้วยนะว่าตายสนิทตายยังวนเวียนอยู่ตายแล้วยังฟื้นได้ไม่ใช่นิพพานอันนี้ประเด็นที่หนึ่งตายยังฟื้นได้ยังไม่ใช่นิพพาน ช, ชัดภาษาไทยเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยตายต้องตายสนิทหรือเขาใช้คาว่าดับสนิทตายหรือดับสนิทหรือใช้คําภาษากลับกันไม่เกิดอีกอนิพพานคือการไม่เกิดอีกไม่เวียนมาเกิดอีกก็ได้นะไม่เวียนมาเกิดอีกตายสนิทตายไม่ฟื้นนะ ที่นี้พอบอกว่าตายไม่ฟื้นคนเราก็ตื่นตื่ น, นง่ายๆไปเข้าใจแต่ ว, ว่าตายทางร่างกายภาษาขออภัยต้องใช้ภาษาบาลีด้วยกายคือกาคือกายแตกตายท่านใช้คำนวนไว้อย่างนั้นภาษาบาลีก็ว่ากายยัตสเพท า, าเพทาแปลว่าแตกกายแตกกายในร่างกายมันตายร่างกายมันแตกตายคือกายตายแล้วก็เนา่าไม่มีกระดูกกระดิ่งอีกแล้วไม่มกลับมา แต่ไอ้กายตายเนี่ยมันไม่ใช่นิพพานร่างกายตายฟื้นรุดร่างกายตายแล้วเวียนมาเกิดใหม่มีร่างกายใหม่อีกมันไม่ใช่เกี่ยวกันนิพพานฟังให้ดีนะมันไม่เกี่ยวกันนิพพานแม้พระอรหันต์เป็นอรหันต์แล้ ว, ต, ลวตายแล้วร่างกายแตกแล้วแล้วพระอรหันต์จะเกิดอีกจะว่านะโหติภาษาบาลีว่าไม่เกิดอีกตายแล้ว ต, ต้องตายเลยตายแล้วต้องพินาศวินัสติ ว่างั้นตายแล้วต้องศูนย์อย่างนี้ไม่มีอีกไม่กายร่างกายเนี่ยไม่ต้องไปเกิดอีกไม่ใช่อย่าไปพูดอย่างนั้นใครพูดอย่างนั้นท่านถือว่าบาปป่า ป, ประกังทิฏฐิกตังเป็นคนมีความเห็นที่บาปท่านท่านแปลว่าความเห็นลามกโดยซ้าไปนะั่เป็นความเข้าใจผิดผิดเป็นความเข้าใจลามกป่า ป, ประกังทิฏฐิกะตนะังเนี่ยผิดนันี่ท่านยืนยันไว้ในยมกสูตร ในหลวงพ่อตาบิดกว่าชัดชัดอย่างนั้นนะไม่ได้ไปเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจผิดคาว่า น, นิพานคือความตายสนิทของกิเลสนาฟังให้ชัดคำว่า น, นิพานคือความตายสนิทของกิเลสในจิตของคนไม่เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวด้วยเพราะร่างกายในเกิดแต่จิตถ้าจิตไม่พาเกิดอีก จิตปานิพาน์นะขยายไปอีกนิดหนึ่งปรานิพัน์หมายคำว่าตายอย่างรอบทวนตายอย่างเสด็จเลยตายอย่างไม่มีพบภูมิไม่มีสันตติไม่ต่อพบต่อภูมิใดๆพุทธภูมิก็ไม่ต่อเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่ต่อพุทธภูมิหมายคำว่าจบสนิทเอออย่างนั้นแล้วก็ร่างกายก็ไม่มีอีกไม่มีกายยัสสะเพลกายัสสะแตกตายแล้วเป็นชาติสุดท้ายจะไม่มี การเวียนเกิดมันมีร่างกายใหม่อีกนะอาทีนี้มาเจาะลึกลงไปที่คาว่ากิเลส ต, ตายสนิทนี่คือนิพพานคนปฏิบัติมรรคองคแปลของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติในขณะที่อยู่มีชีวิตสามัญนี่แหละอยู่กับโลกนี่แหละแล้วท่านก็แบ่งโลกเป็นโลกชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงโลกต่ำที่สุดเรียกว่าโลกอบายอบายแปลว่ามันไม่เจริญมันต่ามันชั้นเสื่อม พระโสดาบันรู้จักอบายรู้จักโลกต้องแบ่งโลกโลกชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงกามรรมณยับหยาบก็ต่าความโลภหยับหยาบหยับหยาบก็ต่ำความโกรธแรงแรงได้ร้ายยับหยาบอมหิตก็ต่าอย่างนี้เป็นเรื่องชั้ น, นต่ำเรียกว่าอบายอบายแปลว่าภูมิต่ำภูมิไม่สบายภูมินรก เรียกภาษาอีกภาษาหนึ่งว่าภูมินรกนะเพราะคนที่อยู่ในภูมินรกก็คือคนโง่เรียกว่าเดรฉ า, านเดรฉานแปลว่าโง่นะคนที่เป็นเปรตยังมีกิเลสอยู่คนที่เป็นชาวนรกนั่นแหละและคนก็เป็นอสุรกายเป็นผู้ที่ไม่กล้าหารชาญชัยที่จะขึ้นจากนรกจมอยู่ในโลกต่ําำโลกอบายนั้นนะเพราะงั้นจิตใจเราไปติดไปยึด จิตใจเราในจิตใจเรานี่ไม่ใช่จิตไปตจิตหรอกกิเลสอยู่ในจิตจริงๆเรากิเลสอยู่ในจิตกิเลสเป็นแขกกิเลสไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่ตัวเรากิเลสมันเป็นสิ่งหนึ่งเข้าไปเข้าไปยึดยึดพื้นที่จิตเราไปเป็นเจ้าเรือนว่างันเถอะไปเป็นเจ้าเรือนจิตอัตมาจะยกตัวอย่างเป็น เรื่องเร่อ<ม>ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรม ช, ชัดชัดอบายมุกมีการท่านแบ่งไว้ตำตำง่ายง่ายเห็นชัดชั ด, ชดเลยก็พูดกันมามากเราไปติดการพนันติดกินเหล้ากินยาติดการบันเทิงเริงรมหหรสศพที่มันปลุกเราให้เกิดราคะเกิดคามเกิดอะไรเรื่อเริงบันเทิงติดยึดสูญเสียเวลาสูญเสีย ไปติดเอามากเอามายติดเอาจัด จ, จัดจันจัอย่างทุกวันนี้เนี่ยมหรสพการละเล่นเนี่ยเยอะแยะที่เป็นมหาสิเป็นอบายยมุกเต็มเลยเนี่ยในจอโทรทัศน์ในการละเล่นเวทีการละเล่นกีฬาต่างๆกีฬาการละเล่นทุกอย่างอะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเป็นอบายยมุกมากมายกายกองจนถึงขั้นวิถีนิยม ถึงการนวิฐานนี่หยมเล่นกันจนนี่กขเพิ่งตายไปสดๆนักร้องที่ชื่อว่าไผ่เนี่ยอัจฉาิก็เอาข่าวคราวสังคมใหม่ๆ ม, มาพูดให้ฟังทันสมัยนันนะ่ะเล่นวิฐานกันการเล่นเล่นวิถานกันแล้วก็พลาดปังนี่เล่นจําเป็นจําอะไรอะไรเขาทุกอย่างอะเล่นคือมันเกินเลย มันเล่นกับวิถีฐานแม้แต่แต่งตัวกับวิถีฐานแม้แต่การโชว์เสื้อผ้าหน้าแพรเครื่องประดับประดาเครื่องนู่นเครื่องนี่เจาะไปหมดอะไรวิถีฐานไปหมดแล้วเจาะห้อยนั่นห้อยนี่เจาะ อ, อ, อ้ตมะมาดูแลก็สมเพศเวทนาจะว่าทุเรศก็ไม่อยากจะว่าดแต่ที่จริงมันก็นั่นแหละเจาะ ส, สันดูใส่แล้วก็โชว์สันดูโชว์มันคือมันมันวิถีฐานนะ่ะ เจาะปากเจาะลิ้นแล้วเอาอะไรไปใส่ไว้ในลิ้นวิถีไหมมันไม่มีอะไรเอาไปใส่ไปเจาะให้จเจ็บเจบมัเป็นรูเป็นนะเจาะหูนี่หูนี่เจาะตั้งแต่รูนี่กี่รูไม่รู้อะไรองนี้ผมเข้าก็ทําให้มันไม่หแหมแหว่งให้เว้าก็ให้มันฟูให้มันชี้ให้มันโน่นมันมันอะไรก็แล้วแต่ทั้งยอมทั้งโกนทั้งตัดทั้งซอยทั้งสางทั้งอัตามาพูดแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนะ แค่พูดนี่ก็เมื่อยแล้วแล้วทํามันจะไม่เมื่อยงไงสิ่งเหล่านี้เอาละอาตมาขยายความเพื่อให้เข้าใจได้ว่ามันวิถฐานนิยมวิถีฐานนิยมไปแปลเอาเองมันเกินเลยสามันมันเกินเลยความพอเหมาะพอดีมันจัดจ้านเกินไปสิ่งเหล่านี้คือโลกอบายเปลืองเวลาเปลืองทรัพย์สินเงินทองเปลืองแรงงานแทนที่จะเอาแรงงานทางกายแรงงานทางความคิด มาใช้ให้สิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์เป็นสาระของชีวิตของสังคมกลับเอาไปใช้เฟอ้อเกินนะผลาญพลาดทำลายสูญเสียอันอย่างนี้นะมันไม่ไม่รอดสังคมจะก่อกู้เศรษฐกิจไม่รอดแลผู้ที่บริหารประเทศไม่เข้าใจส่งเสริมอุดหนุนกันแล้วก็ยกย่อ ง, องให้รางวัลให้เลี้ยนให้ตราให้นอนให้นีใ ห, ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้อะไรไปอีกหมดเลยอาตมาว่ามันย้อนแยงและคนก็ไม่รู้ อย่าว่าจะเด็กไม่รู้เลยผู้ใหญ่เองก็ไม่แน่ไม่รู้จริงสับสนวุ่นวายไปหมดนี่ก็วิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟังบ้างสิ่งเหล่านี้แหละคืออบายคือโลกเสื่อมโลกต่ําแต่เราหลงผิดเป็นเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความเสื่อมเป็นความหน้าชื่นหน้าชมหน้ายกย่องชูเชิด นี่คืออวิชชาคือความเข้าใจผิดคือความโง่คือความไม่รู้จักสัจจ์ความจริงหลงผิด ก, กันไปโลกก็เป็นอยู่อย่างนั้นเอานี่นี้วิจาให้ฟังก่อนเอาทีนี้มาเข้าสู่คำวนน่านิพพานจิตใจของคนนี่ถูกกิเลสเขาครอบงาแล้วไม่รู้อวิชชาอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วไม่เข้าใจนึกว่ามันดีเห็นกงจากเป็นดอกบัวก็ไปหลงติดหลงยึดก็ไปเป็นรถนะเป็นอุปทาน อ้ยชื่นใจชอบใจน่รู้ราฟูฟ้าวิษา์นี่ก็แย่แล้วก็ยังงงวอุ้ยดียอดเยี่ยมเก๋เทพเก่งเยี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะพยายามจะให้โลดโผนโจนทยานให้มันวู้ยวาให้มันประหลาดให้มันพลิกแพลงให้มันอะไรพวกนี้คนก็พยายามปรุงแต่งเสีงเยงอะไรให้จัดจ้านขึ้นไปเพื่อยอมใจคนแล้วคนก็หลงผิด อันนี้แหละเราจะรู้จิตของเราว่าเราถูกครอบงำแล้วทางความคิดแล้วก็เป็นอุปทานยึดติดมันจะยึดในใจเลยยึดติดอันนั้นเรียกว่าอุปทานพอยึดแล้วก็เกิดรสเกิดอัตสาหะมันนิ่มชมชื่นมันก็รื่นเริงมันเทิงใจแหมชื่นชอบเป็นรสเป็นโลกีรสจริงๆก็เป็นรสชาวนรกเป็นรสชาวอบาย โสดาบันต้องปิดอบายต้องเรียนรู้โลกสังคมที่สังขารสังคมที่สังขารสังคมที่ปรุงแต่งเข้ามาหลอกกันอันนี้ให้ทันและเราก็เรียนรู้ว่าเราติดอะไรบ้างที่โลกเขาหลอกอยู่ทุกวันนี้มันเฟอร์มันเกินเราถือในภาษาธรรมะว่ามันหยาบมันจัดจ้านแล้วมันเป็นปุจจุมันหนามันใหญ่มันหยาบ มันโตมันมากมันเลยเถิดไปแล้วถ้าเราไม่รู้ไม่มีปัญญาพอเราก็หลงในโลกที่งอครอบงำทุกวันนี้มันครอบงำนายทุนพยายามที่จะปลูกเราพยายามที่จะปรุงแต่งพยายามที่จะหนึ่งให้ติดแน่นสให้ติดจัดจัดติดจัดก็งมงายพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเหมือนกับคนเมายาเละพูดไม่รู้เรื่องเลยโอ้แล้วก็ไม่จ้องเอามาพูดเลยก็ปิดประตูเลยที่จะฟังคาคํา คำย้อนแยงอะไรอื่นคําหลงติดหนะลงไหลคลั่งใครกลายเป็นคนไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้อีกประเด็นหนึ่งแล้วนั่นคือความติดยึดหลังนจะากกิเลสมันไปอยู่ที่จิตแล้วมาติดยึดสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเราต้องเรียนรู้กิเลสตัวนั้นแล้วฆ่าให้ตายดับสนิทคากิเลสตัวนั้นแหละ ตายดับสนิทเระเวบนี้โรธหรือนิพพานเราได้นิพพานในระดับอบายเป็นพระโสดาบันฟังอีกครั้งหนึ่งได้กิเลสของเราไม่มีตายดับสนิทไม่ฟื้นอย่างมีปัญญาและมีเจโตที่แข็งแรงมันจะต้องบรรลุนิพพานมันจะต้องมีโอปโตภาคขวีมุตสองอย่างคือหนึ่งจิตแข็งแรงจริงๆ แข็งแรงกับสิ่งนั้นทนทานต่อสิ่งนั้นอบายยมุกอย่างนั้นทนทานจริงๆไม่ต้องทนอะ่ะที่จริงมันเฉยละอุเบกขาแล้วมันเฉยแล้วมันล่อนละเพราะฉะนั้นมีปัญญาด้วยอีกอันหนึ่งในจิตเรานี่แข็งแรงยังไม่พอเรียกว่าเจโตวิมุตยังมีปัญญาวิมุตมีปัญญาที่เข้าใจรู้ทันสิ่งเหล่านั้นแล้ว มันเป็นอับายมันเป็นชั่วมันเป็นต่ำระดับหนึ่งระดับต่ำที่สุดแล้วต้องตัดเกรดให้ถูกนะว่านี่มาระดับต่ำนะเพราะงั้นถ้าเผอว่าเราไม่เข้าใจเราก็จมอยู่ในนั้นในโสดาปฏิยังคะองค์แห่งโสดาบันเครื่องเครื่องมาวัด คือองค์าเดกว่าศีลห้าท่านให้เว้นขาดผู้ใดเว้นขาดได้เว้นขาไดขาได้แม้แต่กายกรรมจิตสามารถควบคุมได้ไม่ฟื้นท่านก็ถือว่าเป็นผู้เข้ากระแสแล้วยังมีเชื้ออยู่บ้างก็เข้ากระแสเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่มีใจอยากฆ่าสัตว์สิลงก้อ1หนึ่งสองไม่มีใจอยากจะทุจริตมีฮิริ เทวธรรมมีรีมีโอตปะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อการลักทรัพย์มีความเกรงกลัวต่อการฆ่าสัตว์มีความเกรงกลัวต่อการผิดพวเขาเมียใครมีความเกรงกลัวต่อการจะโกหกมีความเกรงกลัวต่อสิ่งเสพติดหรืออบายมุกทั้งหลายการพนันสิ่งเสพติดเที่ยวกลางคืนดูการละเล่น คบมิตรชั่วขี้เกียจพวกนี้เป็นอบายมุกซึ่งจะต้องเข้าใจเลยว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรแล้วเราก็ละอายจริงๆนะละอายกลัวไม่เอามันมันรู้สึกว่ามันต่ําจะเข้าใจเลยว่ามันเป็นความเสื่อมความต่ําไม่ใช่เราไปแบ่งชั้นวรณะนะแต่เราต้องรู้สัจธรรมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องต่ําของสังคมไม่ใช่แบ่งชั้นวรณะของบุคคล แต่แบ่งชั้นวรรณะของอกุศลธรรมมันเป็นสิ่งที่ทรงอยู่อย่างต่ำๆอกุศลเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมะที่ทรงอยู่อย่างไม่ดีไม่อกุศลคือแปลว่าไม่ดีไม่ควรคนฉลาดไม่เอาไม่ติดไม่หยุดหลุดพ้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเว ร, รมนีหรือเวนขาดมาได้ทางกายทางวาจาก็อ่านจิตเรา วิกิเลตเนี่ยเรายังมันแลบเหลือหรือยังมันกดปล่อยเฉยๆหรือว่ารู้แล้วล่ะไม่ต้องกดต้องโผปล่อยมันกระทบกระแทกมาเลยเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อมันมีอาการทางจิตของเรามันไม่เอาอ่ะมันระอายอยู่แล้วมันไม่ไม่ไปแล้วไม่พยายามไม่ติดนี่เลยว่าเข้ากระแสแต่ถ้าเผื่อว่าถึงขั้นอ่านจิตออกแล้ภาคเพียรลดละไอที่มันยังมีอาการทางจิตอยู่บ้างเข้ากระแสแต่มันยังไม่ดับสนิท มันมีอาการเป็นรูปราคะเป็นอรูปราคะหรือเป็นมานะเป็นอะไรพวกนี้ลักษณะของมันก็คือยังมีรสชาติยังมีรากราีสนุกน้อยน้อยสุขนิดนิดเพลินเพล น, พ น, พ น, พนหน่อยห อ, ยอะไรพวกนี้แต่ไม่กล้าแสดงออกทางกายไม่กล้าละเมิดกรรมอันเป็นจะไปแสดงกา ย, ยากรราวจีกรรมร่วมกับการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดผัวเขาเมียใครทางกายไม่เอาวาจีไม่เอา คือข้างนอกไม่ไม่ปฏิบัติแล้วยังเหลืออยู่กําลังกิเลสกิเลสมันมีพลังมีกําลังมีฤทธิ์มันกําลังกิเลสเหลืออ่อนเหมือนหม้อแบตเตอรี่ที่เกือบจะหมดไฟหม้อแบตเตอรี่เหลือพลังงานไฟฟ้าอยู่หน่อยๆมันไม่ออกทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ออกทําแสดงบทบาททางกายก็ไม่ได้ขับเคลื่อนให้กายกรรมประพฤติให้วิจิกรรมประพฤติไม่ได้แล้วมันมีฮิริมีโอตปะและไม่มีแรงพอ ไม่มีแรงพอนั่นคืออาการของโสดาบันประมาณหนึ่งทีนี้อ่านก็ไปในจิตเจตสิกให้ลึกก็ไปอีกอัตมาอธิบายซ้อนในฟังนะไม่ใช่คุณค่าธรรมโสดาผลเท่านั้นแต่แรงสูงไปถจงสกิทาผลอนาคามีผลในอบายมุกในอบายที่อัตมาอธิบายเป็นตัวอย่างมาบางแล้วยกตัวอย่างเช่นกินเหล้า กินเหล้าเนี่ยคนกินเหล้าเขาก็อร่อยนะเขากินเหล้าก็อร่อยเล่นไพ่เขาก็สนุกสนุกเพลินมันเป็นรสเป็นรสชาติของความสนุกเพลิ น, ลนอร่อยทันเดียภาษาพระวะัฎสาธะทีนี้เราเรียนรู้แล้วเราเลิกมารสอร่อยมันจะจางคลาย มันจะไม่เราใจเรามันจะไม่บังคับเราให้โอ้เน่าต้องเอาให้ได้เอาให้ได้มันไม่แหละมันอ่อนละมันมีลดลดนิดๆหน่นอยๆดูการละเล่นมหรศพห ย, ยาบหยาอย่างเช่นเตะบอลแข่งกีฬาแข่งขันชิงพนันกันทุกวันนี้เนี่ยขั้นอบายมุกทั้งนั้นแหละอย่าเห็นว่าเป็นการออกกําลังขอยืนยันว่าไม่ใช่การออกกําลังเป็นการแข่งดีแข่งเด่นเป็นการเอาชนะค้าขายเป็นการพนัน เนี่ยการกีฬาที่แข่งกันอยู่เอเชียนเกมโอลิมปิกอะไรก็ตามแต่เรื่องอบายมุกทั้งนั้นขอยืนยันจัดจ้านลงทุนเปลืองแรงเปลืองเวลาเปลืองอะไรต่ออะไรแล้วเป็นทาสของนายทุนหรือทุนนิยมของเขาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วทุกวันนี้ถ้ายึ่งไปส่งเสรมิมยิ่งไปเอาเข้าไปแม้เราจะต้องมีโอลิมปิกเราจะต้องแข่งต้องฉิดพายทางนี้แล้วก็ได้ดังชื่อเสียงเพราะโลกมันเมามันอวิชากันไปทั่วโลกแล้ว เราในฐานะชาวพุทธลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะต้องพูดสัจธรรมอันนี้เพราะได้เราหลงไหลอยู่แล้วก็บ้าอยู่งั่นแหละแล้วก็ผลานพลาดเปลืองเปล่าทําลายเงินทองยกตัวอย่างง่ายๆเอาไม่ต้องไปเอาการกีฬาเอาเหล้าพูดเข้าใจมากกว่าเพราะเห็นพิษเห็นภัยมันมากกว่าการกีฬาก็ยังยอมให้ขายอาตมาดีใจนาะทีให้เลิก ซื้อบุรีเลิกขายกำลังโณนรง์นี้อัตมาเห็นขอชมรัฐบาลตรงนี้เอาจริงเอาจังเรื่องนี้กำลังจะเอาเล่าอีกแล้วไม่ให้ตั้งขายเล่าไม่ให้ตั้งขายโทยอย่างเดียวกันกับบุรีขอจก ย, ย่องชมเชยขอสนับสนุนอย่างเต็มล้านเปอร์เซ็เรื่องนี้ทำ<แ>ถูกแล้วรายละเอียดก็คือว่า รัฐบาลพยายามที่จะไม่ให้มีการวางบุหรี่ในที่สาธารณะเลยนะเนีเพราะว่ามีกฎหมายออกมาอย่างชัดเจนว่าแ ล, แล้วก็จะลดลงไปการวางบุหรี่ในที่สาธารณะนั้นคือการโฆษณาบุหรีอ่อถือว่าเป็นการโฆษณาบุหรี่เพราะฉะนั้นบุหรี่ถ้าจะมีจําหน่ายจะต้องเก็บไว้ในในซอกในลิ้นชักหรือในที่ใ<ก>ด ก, ก็แล้วแต่ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วเล่าก็เหมือนกันโฆษณาไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะห้ามโฆษณา เพราะจะโชว์อีกไม่ได้ก็จะออกมาอีกละดีณขณะนี้มีแง่มุมหนึ่งซึ่งถ้าผู้ชมรายการผู้ฟังรายการและผู้ที่กำลังนั่งฟังอยู่ในขณะนี้ไม่ทราบก็ขอให้ทราบความคืบหน้าอยู่ประการหนึ่งว่าณบริเวณใกล้วัดห่างจากวัดในรัศมีเท่านั้นเท่านี้ห่างจากสถานศึกษาในรัศมีเท่านั้นเท่านี้ห่างจากศาสนสถานต่างๆในรัศมีเท่านั้นเท่านี้จะมีร้าน คาปรีกจำาหน่ายเล่าไม่ได้เด็ดขาดถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย อ, อันนี้ก็ละนี่ก็ขยายความจากสังคมที่ได้ปฏิบัติก็ขอชมเชยนะขอสนับสนุนทีนี้ก็มาเข้าเรื่องว่าเอาเรายกตัวอย่างเหล่าคนติดเหล้านี่นะก็จะอร่อยก็จะสนุกเพลิดเพลินแล้วกินโดยเฉพาะคนไม่เข้าใจเนี่คนด้อยการศึกษาพูดก็พูดในระดับรากญากไม่ค่อยเข้าใจถูกมอมเมาง่ายพวก คนระดับรากหญ้าเนี่ยไปดูเถอะต่างจังหวัดคนที่ทํางานออกแรงงานเนี่ยผู้ชายกินเหล้าเกือบทั้งนั้นกินยังไม่มีอะไรก็นั่งกินเหล้าแล้วก็มันก็ผลานแรงงานพลานสุขภาพร่างกายเปลืนสตังหามาเท่าไหร่ก็ไปใส่โรงเหล้าหมดโรงเหล้าเนี่ยรวยไม่รู้จะรวยยังไงรวยไม่เสร็จรวยขยายผลขยายงานใช้อํานาจทางเงินขยายอิทธิพลขยายออกไปเรื่อยเลย แล้วก็ไม่นึกถึงชีวิตของมนุษยชาติว่าชีวิตของมนุษยชาตินั้นถูกครอบความด้วยอิทธิพลของของผู้ที่จะโฆษณาผู้ที่จะเอาชนะผู้ที่จะแพร่แพร่หลายไม่ช่วยกันลดทั้งๆ ท, ท, ท, ที่รู้อยู่ว่ามันเป็นภัยเอาละไม่วิจาร์ต่อวิจาร์ก็ไม่จบมากเข้าเรื่องนิพพานพราะผู้รู้ตัวแล้ว เอาแต่เรื่องเล่านิาพพานแค่เล่อาอาตมาพูดแก่นี้ก็าหาว่านี่ไม่ใช่นิพพานไม่เป็นไรเข้าใจกันคนละอย่างเมื่อคุณเข้าใจว่านิาพพานคุณคุณอธิบายคุณไปแล้วใครจะไปเอานิาพพานอย่างนั้นก็ไปลายเชลแต่ถ้าใครจะเอานิาพพานอย่างที่อตาตมาอธิบายก็มาสิเพราะว่านาน า, น า, นาสังวาสแล้วอธิบายกันคนละอย่างแล้วมันเป็นอุเทศกันคนละอุเทศคือยกข้ออธิบายชี้แจงคนละเรื่องคนละอย่างมันต่างกันจริงๆนานาสังวาสจริงๆ แล้วก็มีกรรมต่างกันพออธิบายอย่างนี้คนก็มาปฏิบัติคือกรรมมากระทําต่างกันคนยางจะไปนิพพานทางโน้นก็ไปกระทําอย่างโน้นคนจะมานิพพานทางนี้ก็มากระทําอย่างนี้พิสูจน์กันสิยืนยันกันอาตมากล้าดยืนยันเลยเชิญให้มาพิสูจน์กันอย่างนี้อาตมาทำมาพอสมควรแล้ว30กว่าปีทํางานศาสนามาก็ได้แล้วได้ผลแล้วคนเลิกเหล้าเลิกยาเลิกติดอบายมุขฐานะชีวิตก็ดีขึ้นความสุขสงบก็เกิดขึ้นทั้งในครอบครัว พ่อแม่พี่น้องโอ้โหพ่อกินเหล้าหยุดกินเหล้าเท่านั้นแหละมันสุขขึ้นเป็นเท่าไหร่หยุดดูดยาดูดบุหรี่นะหยุดสิ่งเสพติดซึ่งทรมานทรกรรมเท่าไหร่ในสังคมทุกวันนี้เพราะนั้นก็มาทำนิพพานแค่นี้ให้ได้ก่อนอาตมาจะไม่เถียงนะใครจะบอกว่านี่ไม่ชฉนิพพานออกนอกรีสอนนอกผิดอะไรคุณมีสิทธิพูดจะว่าอาตมาอะไรก็ว่าไปอาตมาไม่ฟังเพราะอาตมา เข้าใจแล้วว่าคุณเองคุณเข้าใจอย่างของคุณอาตมาเข้าใจอย่างของอาตมาก็คนละทางจึงเรียกวัานา น, านาสังวาสเนี่เป็นพูดร่วมกันสังวาสนี่คือร่วมกันอยู่พูดร่วมกันแต่แต ก, แต ก, กล่างกันนาน า, น า, นานแปลว่าแตกต่างมันแตกต่างกันจริงๆโดยสัจธรรมมันห้ามไม่ได้เรื่องนี้เพราะนั้นใครชอบอย่างใดใครเข้าใจอย่างใดก็มาปฏิบัติอย่างนั้นอาตมาก็ยืนยันว่าอาตมาพามาดีพามาดี พามาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคุณก็อ้างพระพุทธเจ้าอาตมาก็อ้างไม่เป็นไรหรอกพระพุทธเจ้าท้าไม่ได้ว่านานาสังวาทันก็เป็นคนตัดตัดเองเป็นคนวางแบบแผนเองมันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะนเมื่อผูดด้ใดจะเลิกเล่าก็มาอ่านจิตของเราว่ากิเลสขขามาันติดนะมันมีอร่อยมันมียืดมันมีโอโหดึงดูดถ้าไม่กินก็จะตายจะเป็นโรงแดงอะไรก็ตามใจมันแรงจึงก็ต้องมาลดลงได้ลดลงได้นั่นแหละคุณอ่านกิเลสให้ถูกเรียกว่าส ก, กายะ กิเลสนี่สกายะตัวตนที่มันกิเลสตัวตนของกิเลสที่มันเป็นอุปาทานมันไปติดพอมันติดแล้วมันก็จะเกิดอาการเรียกว่าตัณหาอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไปบมเรอมันกิเลสมันก็อ้วนกิเลสมันก็แข็งแรงอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราบังคับมันจะตั้งจิตถือศีลไม่กินเล่าๆจะเป็นจะตายยังไงก็จะสู้แล้วก็อ่านจิตที่ขณะมันเกิดอยากนั่นแหละเห็นตัณหา คุณมีญาณได้เห็นอาการอยากของจิตในของกิเลสในจิตตัวเองเมื่อไร่เมื่อนั้นคุณเห็นสักกายะตัวเองเป็นตัวตนมันไม่มีรูปไม่มีร่างแต่มันเป็นตัวตนเป็นสักกายะหรือเป็นอัตตาอัตตาเป็นภาษ า, ลากลางกลางแต่สักกายะคือตัวตนที่ผู้มีญาณเห็นเพราะผู้จะเป็นโสดาบัญจะต้องมีญาณเห็นส ก, กายะท่านแยกไปเรียกจากอัตตาสวัส ก, กายะแปลว่าตัวตนเหมือนกัน ตัวตอนที่ชัดเจนตัวตอนที่คุณมียานรู้แล้วรู้ของเราแล้วรู้อาการนั้นมันเกิดเมื่อไรอยากกินเหล้านี่เรายกตัวอย่างเรื่องเดียวนะผู้หญิงที่ติดพิสติกติดเพชรติดพลอยติดอะไรที่มันแผงๆกินลึกกินมากคุณก็ไปหาเอาเองไปเรียนรู้ของตัวเองนี่อาตมากยกตัวอย่างอันหนึ่งพระพุทธติดเหล้าแล้วก็ยืนยันอ่านกิเลตัวนี้ให้ได้เรียกว่าส ก, กายติ ท, ท, ทิเห็นแล้วส ก, กายะ มีทิฏฐิมีความเห็นเห็นเข้าใจในเรื่องของสักกายะแล้วก็ปฏิบัติจนเกิดวิปัสนาหรือวิปัสสี<ม>เห็นแล้วเห็นอย่างยิ่งวิปัสสีแปล ว, ว่าเห็นอย่างยิ่งอนุปัสสีตามเห็นเลยจริงๆเห็นตัวนี้ไม่ใช่ตาเนื้อคือธรรมจักสูคือตาธรรมะตาทิพย์คือญาณคือวิชชาวิชชาของพระเจ้าคือญาณของพระเจ้า ที่สับซ้อนแต่มาเป็นของเรานะไม่ใช่ไปเอาของพรุทธเจ้ามารู้ต้องยานของเราเองมิจชาของเราเองมันเห็นเห็นในภายในจึงเรียกว่าตาในตาในหรือตาทิพย์ไม่ต้องไปนั่งหลับตาแล้วก็ไปสะกดจิตเป็นสมาธิไม่ใช่ปฏิบัติธรรมของพรุทธเจ้าไม่ต้องไปนั่งสะกดนั่งสมาธิก็เกิดสมาธิได้แต่สมาธิของพุทธเจ้านั้นเป็นสมาสมาธิต้องชัดเจน พร้ะเมื่อคุณเห็นแล้วคุณก็จะต้องฆ่าหรือกำจัดเรียกว่าปหานะประหารตภาอะไรก็ตามใจภาษาบาลีก็มีเยอะแยะคือต้องกำจัดต้องทำลายกิเลสตัวนั้นตัวสักกายาที่คุณมียานจับมันได้นั่นแหละถ้าใครไม่มียานเห็นตัวนี้ยังไม่เข้าสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเลย พ้นสักกายทิจจิหมายความว่าเห็นนัลลาเห็นอะไรเห็นสักกายแล้วเข้าใจแล้วว่าสักกายคืออะไรแล้วคุณก็ไปปฏิบัติตั้งศีลเพื่อที่จะกำราบสักกายตัวนั้นกำจัดสักกายตัวนั้นเมื่อคุณเองตั้งใจสมาทานที่จะปฏิบัติศีพลพรตั้งใจตั้งศีลแล้วก็บำเพ็ญพรตหรือประพฤติประพฤติเพื่อฆ่ากิเลส ต, ตัวนั้นสักกายตัวนั้น ถ้าคุณทำหนึ่งคุณเข้าใจแล้วคุณก็เกิดวิปัสสีคุณก็เกิดเห็นคุณก็เกิดจับตัวกิเลสได้แล้วก็ปฏิบัติด้วยมรรคองค์8ในขณะคิดในขณะพูดในขณะมีกรรมกิริยาทุกกิริยามันเกี่ยวข้องกับเล่าทําให้กิเลสเรื่องติดเล่าสมมติเรื่องเดียวเรื่องที่คุณจะฆ่ากิเลสติดเล่าตัวนี้มันมาเกี่ยวข้องเรื่องก็ติดเล่าเมื่อไรจะพูดก็ตามจะคิดก็ตามจะกําลัง มีกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเกี่ยวข้องกับใครแล้วแต่มีกรรมการงานคือการกระทําอะไรเกิดการการะทําอันนั้นมันไปก่อให้เกิดกิเลสตัวเล่าตัวนี้นะตัวจะกินตัวติดเล่าตัวนี้ที่คุณจะเลิกเนี่ยมันเห็นกิเลสตัวนี้เกิดด้วยการปฏิบัติอยู่ในอิริบุใดก็ตามสังกปะวาจากรรมมันตาอาชีวะแม้แต่ประกอบอาชีพทําการอาชีพอยู่คุณจะเป็นนักการเมืองคุณจะเป็นนักการทหารคุณจะเป็นนักการค้า คุณจะเป็นครูเป็นอาจารย์คุณจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามเป็นพ่อค้าแม่้ายอะไรได้ทั้งนั้นอะ่ะถ้ามันไปเกี่ยวกับอันนั้นสัมผัสสัมพันธ์กับ น, นั้นขึ้นมาขณะใดแล้วมันก็ก่อให้เกิดกิเลสเรื่องเล่าหรือยิ่งคุณทําอาชีพค้าขายเล่าเลิกเลยก็รู้แล้วว่าเล่ามันเป็นพิษเป็นภัยหรือคุณจะไปส่งเสริมในเรื่องเล่าเรื่องยาเลิกเลยนั่นเป็นอาชีพที่เป็นมิจฉาชีพแล้ว คุณรูแล้วว่าคุณสิ่งนี้เป็นสิ่งต่ำแม้ศีลข้อพื้นฐานข้อห้าในศีลห้าคุณก็ต้องเลิกมันกายกรรมวิีกรรมเกี่ยวข้องกับนี้ไม่เอาเป็นอาชีพยิ่งไม่เอาใหญ่เลยทํางานเกี่ยวกับเหล้ากัญยาเนี่ยเอามาเลี้ยงชีพไม่ได้ยิ่งไม่เข้าท่าเลิกหยุดเลยไม่งั้นก็บาปต่อไปบาปนี่ไม่ได้หมายความว่าอาตมาไปว่านะ บาปคือสัจธรรมบุญคือสัจธรรมใครทําสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าควรเลิกควรหยุดเพราะมันไม่ดีมันบาปก็เชื่อพระพุทธเจ้าเถอะว่าควรจะเลิกแต่ถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคุณไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าก็แล้วไปแต่คุณถ้าคุณเป็นพระพุทธเจ้าคุณก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งที่มันไม่ควรจะไปต้องติดยึดอยู่นะ เพราะฉั้นเมื่อผู้ใดสามารถที่จะอ่านจิตออกอ่านกิเลสในจิตตัวที่มันติดยึดแล้วก็กําจัดมันลงลงเราได้อ น, นุปัตติสีตามเห็นอัตมาอธิบายฟังแล้วอ น, นุปัตติสีมันมีสี่ข้อห น, นึ่งอนิจจานุปัตสีสองวิราคานุปัตสีสามนิโรธานุปัตสีสี่ 4. ปฏินิสสคานุปัตติสีนิปัตตสีสี่ที่จะต้องพิจารณาอ่านใจตัวเองให้ออก ว่าตัวเองตามเห็นปัดสีไปว่าเห็นอนุปฏดสีไปว่าตามเห็นเห็นด้วยยานไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อเห็นความไม่เที่ยงด้วยยานไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้เห็นด้วยแค่มา น, นั่งคํานวณตรร ก, กะไม่ใช่แต่เห็นด้วยยานปัดสีธรรมจักรสุเห็นแล้วอ๋อ ه, มันไม่เที่ยงอัตมาอธิบายแล้วอธิบายซ้ำขออธิบายซ้ําตามเห็นความไม่เที่ยงในประเด็นแรก เห็นกิเลสของเรามันไม่เที Cord ่ยงมันโตขึ้นโตขึ้นได้มันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันไม่เท่าเก่ามันไม่เท่าเดิมกิเลสมันไม่เท่าเดิมมันไม่เที่ยงมันไม่เท่าเดิมมันไม่คงที่แต่มันมากขึ้นอ้วนขึ้นหนาขึ้นหยาบขึ้นเยอะขึ้นนั่นเรียกว่าปุถุภาษาบาลีเรียกว่าปุถุปุถุชนเพราะนั้นชนใดที่ทําให้กิเลสตัวเองโตขึ้นหนาขึ้นอยู่ และผู้ใดมีญาณเห็นผู้นั้นเห็นความเป็นปุตุชนของตนเองอ้อเราเป็นปุตุชนเพราะกิเลสเราหนาขึ้นชั้นนี้เองเห็นความไม่เที่ยงที่เป็นปรมาติต์เห็นความไม่เที่ยงที่เป็นพุทธวิชาพุทธวิชาเห็นมีความรู้อย่างนี่มีความรู้รู้โอ้โหความเป็นปุตตุชนของเราในประเด็นเดียวเท่านั้นประเด็นที่ไปติดเล่าเราก็เป็นปุตุชนอย่างนี้เอง เพราะกิเลสมันไม่เที่ยงและกิเลสมันโตขึ้นโตขึ้นจึงเรียกว่าปุถุถ้ากิเลสจางคลายทำให้กิเลสมันจางคลายได้นั่นคืออริยบุคคลฟังประเด็นของความเป็นปุถุชนกับอริยบุคคลให้ชัดอัตมายืนยันกล่าวที่แล้วว่าถ้าผู้ใดมีพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254ิมิจฉาทิฐิสูตรไปเปิดดูแล้วท่านจะสอนเอาไว ว่าคนเราปฏิบัติไม่ผิดหรือว่าเป็นผู้มีความเห็นไม่ผิดคือมิจฉาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิได้เพราะมิจฉาทิฏฐิก็เพราะว่าเราเองเราไม่ไม่รู้จักความไม่เที่ยงผู้พ้นความพ้นมิจฉาทิฏฐิก็คือผู้ที่รู้จักความไม่เที่ยงแล้วจับความไม่เที่ยงได้แล้วโดยเป็นความไม่เที่ยงท่านเรียกว่าอานิจจโต ในภาษาท่านแปลไปเป็นภาษาไทยถ้าไม่ได้ใช้สัพพาบาลีไว้ในสูตรนั้นถ้าใครไปอ่านพระเตปรดกภาษาไทยข้อ254ในพระเตปิดกเลรม18 น, นนะครับทิมิจฉาทิฐิสูตรผู้นั้นจะพ้นมิจฉาทิฏฐิได้โดยความเป็นของไม่เที่ยงท่านจะใช้ภาษาแปลไ ว, ไว้ว่างนี้แปลมาจากคําว่าอนิจจโตโดยความเป็นอนิจจโตก็คือโดยความเป็นของไม่เที่ยงมันยากเนาะภาษาของพระเตปิดกมันยาก คือคุณเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหและแล้วคุณก็ต้องเห็นว่า อ, อะไรมันไม่เที่ยงก็กิเลสคุณมันไม่เที่ยงนี่เป็นปมรมตทนะปะมรมัตทแปลว่าอะไรปมรมัตทแปลว่าโอ้โหความหมายอันสูงสงเป็นความความรู้อันยิ่งยอดปมรมตทเป็นความรู้ชั้นสูงยิ่งยอดเป็นความจริงนันวิเศษเป็นความจริงที่ประเสริฐปรมาทปรมาทฐ เพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่อ่านความจริงอันประเสริฐอันนี้ได้หรืออริยสัจก็ได้เรียกปรมัตถัก็จะต้องจับถึงขั้นนี้ถึงขั้นรู้สิ่งที่มันเป็นจริงอันนี้เพรา ะ, ะ้คุณเห็นอาการของกิเลสมันไม่เที่ยงแต่มันหนาขึ้นนั่นคือปุตติชนแต่ถ้าคุณสามารถปฏิบัติกิเลสของคุณมีเท่านี้คุณทาให้มันลีลงริเล็กลงลดลงจางคลายลงเรียกว่าวิราคะ คุณสามารถตามเห็นอนุปัตตสีตามเห็นความจางคลายความลดจางลดลดลงมาลดลงมาจางลงมาได้นั่นคือตาทิพย์ของอริยชนผู้ใดเห็นผู้นั้นแหละกาลังเป็นอริยบุคคลกําลังเดินทางสู่มรรคทารกิเลสอบายมุติเรื่องเล่านี่อยู่คุณกําลังเดินทางในสัมมาอริยมรรค กำลังไปสู่ผลที่ค่อยๆได้ไปเรื่อยๆทำให้ลดจางคลายลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้ถึงขีดหนึ่งสมมุติว่ากิเลสของคุณมีรอยคุณลดลงมาได้ถึงห0สบเท่ากระแสถือว่าโสดาบัตโสดาบัตมีความหมายว่ากิเลสของคุณถูกฆ่าฆ่าไปได้อย่างที่เรียกว่าแม้ยังไม่หมด ก็ไม่มีทางจะตกต่บได้เกินครึ่งเพราะฉะนั้นความมีฤทธิ์ของกิเลสติดเล่านี่มันถูกฆ่าไปตั้งกิเลสตัวติดเล่านี่ถูกฆ่าไปตั้งครึ่งหนึ่งยิ่งมากกว่าครึ่งได้ 60% 70% นั่นแหละยิ่งเข้าสู่กระแสของโสดาบันยิ่งขึ้นใช่ไหมก็จะหนึ่งโสดาปันาแปลว่าวเข้ากระแสจิตเข้ากระแสสองเอาวิริปาตธรรม แปลว่าไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาท่านแปลเป็นภาษาไทยนะท่านแปลนะอาตมาไม่ได้เป็นคนแปลหรอกท่านแปลอาตมาเอาคําที่ท่านแปลมาม า, มาพูดให้ฟังแล้วอาตมาจะขยายความอีกฟังคือได้แล้วถ้ามีฤทธิ์สามารถล้างกิเลสถูกตัวมันจริงๆการล้างกิเลสในหนึ่งกิเลสออกจริงกิเลสลดลงจริ ง, ร ง, ร ง, รงสองปัญญาจะรู้ร่วมปัญญาคือมันแจ้งมันเห็นปัจีปัจสนามีปัจจนาเนี่ย พีปัสนาแปลว่าผู้เห็นแจ้งมันเห็นจริงๆมันเห็นกิเลสตายลงไปด้วยฝีมือเราเลยฝีมือเราฆ่ามันลงไปเรื่อยๆมันก็จางลงไปเรื่อยๆความจริงนะมันจางลงไปเพราะฝีมือเราเอามันลดลงลดลงลดลงเหมือนกับคุณจะทําให้ต้นไม้ตายคุณก็ไปเอาวิธีไปตัดไปรอนๆมันมันก็เหียเห่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวถ้ามันเหี่ยวลงถึงครึ่งหนึ่งแล้วทีนี้ก็แน่แน่แท้ ต้นไม้ต้นนี้ไม่มีทางฟื้นเพราะมันถูกฆ่าไปตามลําดับจริงๆคล้ายๆกันอย่างนั้นนะเช่นเดียวกันถ้าคุณแม่นเลยคุณรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว่ากิเลสเป็นเช่นนี้แล้วคุณก็ทําด้วยวิธีสมาอริธรรมโอ้โหปฏิบัติถูกตัวกิเลสมันลดจางคลายงไปวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายชัดเลยจนบางครั้งนี่ดับได้มันไม่เกิดอาการ กิเลสอยากกิเลสหรือว่ารสอร่อยมันเฉยเฉยมันไม่มันจะมีอาการนั้นถึงคัดถึงก็ว่าโอ้อาการของอัศธาอาการของรสอร่อยอาการของตัณหาอยากกินเหล้ามันบางมันจางจนบางครั้งมันไม่มีนะมันเฉยอุเบกขามันเฉยเฉยไอเขาเพื่อนมันเอาเหล้ามายั่วหรือว่ามันถึงไปสัมผัสโดยไม่เจตนาก็ตาม ไปสัมผัสไปสัมพันธ์ไปเกี่ยวข้องกับเล่าก็สิ่งที่เราสมมตินี่นะคือเล่าแล้วก็อ่านจิตเราทันเออไม่เกิดอาการเฉยกลางๆว่างๆนั่นคือสิ่งที่พระ <c oughs> ท่านกำลังอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ภาวะของนิพพานะนะนี่ย รอให้ท่านพักเสียงสักประเดี๋ยวหนึ่งจะขออนุญาตท่านกลางนะฮะเพื่อพอท่านจะได้ไม่ต้องโหมหนักจนเกินไปแต่ไม่ใชไม่ใช่ขั้นโฆษณาเนาะเดี๋ยวขมฟังสิ่งที่น่าสนใจสักเดียยวจุดสักครู่ครับไม่ตอบเอาเลยเอาขอให้พี่น้องเราจงได้มีโอกาสรับรู้รับทราบว่าการอธิบายนิพพานในมุมที่เข้าใจง่ายแบบที่พ่อท่านอธิบายนี้เป็นภาวะของนิพพานที่ จะทําให้เรามีความรู้สึกไม่ห่างไกลจากนิพพานจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเล่าเรื่องบุรีเรื่องอภัยมุขต่างๆนานานะเพราะท่านพยายามจะบอกว่าให้พวกเราเห็นสักกายะสักกายะก็คือตัวตนของกิเลสหยาบๆใหญ่ๆคือตัวการที่ก่อโกนตัวการที่ก่อกวนเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งที่ทําให้เรามีอาการทุกข์ กับมันนะนะใ บ, อบอตอนนี้เราพูดอยู่ในบริบทของโซดาบันครับในบริบทในบริบทของโสดาบัน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการกินเหล้าการเล่นไพ่เรามีความอร่อยเรามีความสนุกกับการกินเหล้าที่ใช้คําว่ากินเหล้าเนี่ยเพราะไม่ใช่แค่ดื่มอย่างเดียวะนะยังมีการกินกับแกล้มด้วยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการกินเหล้า <c oughs> การเล่นไพ่หรือการทําอะไระอะไรก็ตามประสบการณ์เรเล่นอ่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องพยายามมองให้เห็นว่า ความอร่อยความสนุกที่เรามีอยู่ในใจนั้นน่จริงๆมันเป็นศัพท์หนึ่งซึ่งได้ฟังเพราะท่านเมื่อสักครู่นี้แล้วรู้สึกดีมากอยากจะนำไปเขียนในหนังสือพิมพ์มานคือสังคมสังขารหรือสังขารของสังคมการตามอ่านตามดูตา ม, ตาม ร, ามรู้สังขารของสังคมเนี่ยแล้วเรารู้ว่าจริงๆน่สิ่งต่างๆที่เราไปติดยึดนะขณะ น, นี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการเล่นในรูปแบบใดก็ตามอัายมุขในรูปแบบใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นสังขารของสังคมสังขมมันจุงแต่งกันขึ้นมามันโอ้โหเฟ้อเยมอะไรขึ้นมามันเป็นรู้รานิยมขอยท่านทั้งหลายจงเข้าใจศัพท์ใหม่ที่พ่อท่านอธิบายนอกจากมีทุนนิยมบริโภคนิยมอำนาจนิยมก็ยังมีรู้รานิยมแล้วก็ฐานนิยมวันนี้ ทำท่าจะได้ยินวัตถุเรศนิยมมานะเอาเถอะอย่าเพิ่งไปถึงขนาดวิษฐานนิยมก็พอละมาบังเอินมีคําที่พ่อท่านพูดมาเนี่ยก็จริงจริงมันอยู่มันรู้สึกกระดากระดานเลยคำวัตุเรศมันแรงไปนะต้องลองวิษฐานนิยมมานะก็เป็นเรื่องที่เราจะได้มีโอกาสกินเลสเนี่ยจริงๆเป็นแขกมิใช่เป็นตัวเราเป็นคําที่พ่อท่านย้ํายืนยันเมื่อสักครู่นี้เป็นแขกผู้แปลกหน้า แต่มันมาครอบครองจิตจนดูประหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตเป็นเจ้าของจิตกระทั่งเราไปเข้าใจว่ากิเลสกับจิตเป็นอันเดียวกันนั่นเป็นวิจฉาชิฐิจริงๆกิเลสกับจิตเป็นเคนอร์เรกันกีฬาเนี่ยจริงๆก็เป็นกิเลสนะกิเลสในระดับอบายมุกกีฬาเนี่ยเป็นกิเลสระดับอบายมุกไม่ว่าจะเป็นกีฬาใดๆก็ตามเว้นเสแต่กีฬาที่ เป็นไปเพื่อการออกกําลังกายรแนอแวตรงนี้นิดนึงนะอยากจะขยายความคําว่ากีฬาครับผมกีฬานี่แปลว่าเรื่องเล่นเล่นแปลว่าการเล่นเล่นการเล่นเล่นแต่คนเราทุกคนนี้ไปเอาการเล่นเล่นมาเป็นการจริงๆมาเป็นอาชีพมาเป็นเรื่องใหญ่มาเป็นเรื่องกับชีวิตเลยวันวันหนึ่งทุ่มโถมอยู่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนการเล่นมาเป็นการจริงนั่นคือความผิด เห็นกงจักเป็นดอกบัวเพราะกีฬากีฬามันบอกแล้วว่าการเล่นเันเล่นเล่นก็ให้มันแค่เล่นเล่นเล่นเล่นกับชกครั้งชกคราเป็นการพักผ่อนเป็นการใช้ไอ้นี่นในหน่อยอย่างนั้นก็แค่ใช่แต่มาทําผิดสภาพจริงของมันมาเอามาเป็นเรื่องจริงมาเอาเป็นเป็นเรื่องชีวิตมาเเป็นเอาอาชีพมาเอาเป็นเป็นเรื่องที่นี่คือความผิดพลาดมหาศารมหาหันเลยไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะผู้ใดยังไปหลงไหลกีฬาเป็นอาชีพ เอากีฬามาเป็นเรื่องของชีวิตเอาากีฬามาเป็นเรื่องดำเนินอยู่กับชีวิตเลยเนี่ยนั่นผิดพลาดแล้วเพราะกีฬาตัวภาษาตัวสาระของมันเองจริงๆมันเป็นเรื่องนิดหน่อยมันเป็นเรื่องเล่นๆมันเป็นเรื่องอดีเรกมันเป็นเรื่องแวะๆนิดหน่อยเอาพักผ่อนชั่วครั้งชั่วคราวได้ถ้าเอามาเป็นอาชีพนั่นคือความผิดที่แท้จริงเลยผิดถนัดเลยเพราะฉะนันขยก กีฬานี่มาเป็นงานเป็นการของประเทศมาเป็นงานเป็นการของครอบครัวเป็นการการของชีวิตคนนั้นตกอยู่ในอบายมุกที่ชุดไม่ขึ้นแล้วมีแต่เสื่อมกับเสื่อมกับเสื่อมแ and เสื่อมนอกจากกีฬาเป็นอบายมุกแล้วเนี่ยการแสดงหรือนักแสดงต่างๆไม่ไว่าจะเป็นดารานักร้องที่โปรโมทโฆษณาผ่านสื่อกันอยู่เนืองๆนะเนี และเหล่านี้ก็อยู่ในข่ายของวิถีฐานนิยมที่เพราะท่านกล่าวมันเกินไปนะมันเป็นเรื่องเกินไปวิถีฐานนี้คือคือสิ่งที่เลยเถิดที่เกินเกินไปแล้วมันเป็นสิ่งที่สังคมพากันสังขารไปแล้วมาเมื่อสังคมสังขารเนี่ยเราพยายามที่จะตามดูตามรู้ว่าเราเนี่ยติดอะไรบ้างและทําให้อ่าจิตที่ไปติดยึดในสังขารของสังคมหรือสังคมสังขารนั้นหลุดพ้นจากความติดยึดเราเรียกว่าวีมุตแล้วเพราะท่านได้อธิบายความหมายคําว่า อุปต่อภาควิมุตต์อุปต่อภาควิมุตต์ตามที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือวิมุตต์ทั้งสองส่วนทั้งส่วนที่เป็นจิตและปัญญาโดยพระท่านได้อธิบายว่าอุปต่อภาคในส่วนที่เป็นจิตหรือเจโตวิมุตต์นั้นเป็นภาวะจิตที่แข็งแรงนะนีจิตที่มีกําลังเหนือกว่าสังคมสังขารหรือสังขารของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกา er e, uh, yes. oh รแสดงก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอบายมุกการดื่มเหล้าการเล่นไพ่หรืออบายมุกในรูปแบบอื่นใดก็แล้วแต่แม้อบายมุกจะยังคงมีอยู่ในโลกแม้อบายมุกจะยังคงมีอยู่สังคมแม้สังคมจะสังขารจัดจ้านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่เมื่อจิตของเราหลุดพ้นแล้วจากอบายมุกจิตของเราหลุดพ้นแล้วจากเรื่องของกีฬาการีหรือการแสดงอะไรๆก็แล้วแต่เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเกิด ในโลกของอาบายอีกเมื่อกี้เพราะท่านได้พูดหน้าฝั่งมากเลยทีเดียวว่านิพพานเนี่ยมันมีภาวะที่ถ้าตายแล้วตายไม่ฟืน้นเคยมีกรณีของพันเอกสนจินตรัฐมาโฆษณาเผยแพร่ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องตายแล้วฟืน้นไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นอะไรอะไรมาเนี่ยมีคนไปถามหลวง ป, ปู่พุทธทาตขขณะนั้นหลวง ป, ปู่ยังมีชีวิตอยู่ หลวงปู่คิดอย่างไรครับกรณีพันเอกส น, นจินตรัตตายแล้วฟื้นเนะี่ยหลวงปู่ตอบว่าถ้าตายแล้วไม่ฟื้นเนะี่ยถ้าตายอะไนะไม่ฟื้นนะไอ้ที่ฟื้นแสดงว่ายังไม่ตายะนะ <c oughs> นั่นคือหลวงปู่พุตธาตเพราะฉะนั้นในส่วนของคําอธิบายของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เกี่ยวกับเรื่องตายไม่ฟื้นเนะี่ยจริงๆก็คือการตายจากกิเลสในจิตจิตตายเด็ดขาดหมดจากความติดยึดในสังขารของสังคม จิตที่แข็งแรงเป็นเจโตวิมุตตและจิตที่เกิดความสว่างทางปัญญาที่ทำให้กิเลสหลุดล่อนไปโดยสิ้นเชิงนั้นเป็นปัญญาวิมุตตผมสรุปถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องวันนี้เวลาคงจะต่อให้ไปอธิบายให้ช้ำแรกเข้าไปให้ลึกๆให้เห็นว่าการขาดสิ้นการถึงขั้นนิโรธานุปัสสีปัินิสุขานุปัสสีเป็นต้น อย่างไรแม้ในประเด็นที่เรากำลังอยู่ในบริบทของอบายามุกและเจาะลงไปแต่แค่เอาหัวข้อย่อยมาว่าติดเล่ามาเป็นตัวอย่างในการอธิบายนี้ก็ตามถ้าเช<ก>นั้น<า>ในช่วงสุดท้ายก่อนจะจบวันนี้อยากจะขอมอบดอกไม้ให้กับรัฐบานลนะนะแล้วก็ซ p พีซีเ่เขาไม่ยอมที่จะนำบุรี่ลงจากเซเว่นแต่ปรากฏว่าในที่สุดเขาก็ยอ ม, มนะ อยอมที่จะนำบุรีลงจากเซเว่นฉะนั้นเพื่อซ p พจะได้ไปสู่นิพพานะนะเนเป็นนิพพานของซ p พะนะก็จะขอมอบดอกไม้ในเรื่องนี้ให้เมื่อสักครู่นี้ฟังพ่อท่านพูดแล้วก็เลยเขียนเป็นบทกวีส่งท้ายว่าซ p พี mm hmm. กลมเกลียวเลี้ยวกลับเซเว่นเร้นรับบุรีสำนึกงดงามความดีซ p พี CP มีด้วย อวยพรหยุดขายความเขา่าเล่าบุรีซีพีจักษุกสโมสรหยุดขายอบยมุกทุกร้อนซีพีจักนอนหลับสบายเจริญธรรม อธิปาตาเวรมณนีศิธาประทังคำพระสอนสั่งโปรดจงฟังตั้งใจให้ชัดอย่าคิดไปพาสัตว์ตัดชีวิตลองคิดเล่าเล่าอธินาธานาเวรมณนีศิธาประทังเตือนไว้ประจางอย่าในทางหยิบช่วยของเขา สิ่งของใครนั้นเล่าอย่าหลงเมามัวไปไฝ่คว้ า, วาโอกาเมสุมิชาราราจงยังใจว่าอย่าไปพาผิดลูกเมียใครโอมุสาวานาเวรมะนีสิขาประธานจำซึ่งใจบางอย่าชินชังพูดปดดละใคร บาปและเวนที่ได้เมื่อตายไปวิญญาณจะคงสุราเมรยะลดละลมบางเถิดนาคำพระทันวีร์จะนำพาแต่ทางลมจมอย่าคบทางรื่นรมอย่าง่ายงมในทางไม่ดี ว่าอย่าไปพาผิดลูกเมียใครโอ้มุสาวานาเวราม่ีสิรษาประทันจำซึ้งใจบ้างอย่าชิงชังพูดปดหลอกใครบาปและเวรที่ได้เมื่อตายไปวิญญาณจะคงม ตัราเมระยะลดละลงมาเถิดนางคาพระทันว่าจะนําพาแต่ทางล่มจมอย่าคบทางรื่นรมอย่าง่ายงมในทางไม่ดีอย่าคบทางรื่นรมอย่าง่ายงมในทางไม่ดีอย่าคบทางรื่นรมอย่าง่ายงมในทางไม่ดี <laughs> .